เรื่องการครบมิตรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะราชาวพุทธผู้จ้จัดว่าเนี่ยมงคนสูงสุดมีสามสิบแปดประการข้อแรกก็คือการไม่คบคนชั่วไม่คบคนพานข้อแรกเลย เพราะว่าถ้าพบคนชั่วเป็นมิตรอีก37ข้อที่เหลือก็เกิดขึ้นได้อยากชา้าจะเป็นไปไม่ได้เลยพบคนชั่วเป็นมิตรอันนี้จะทำให้เกิดความเสียหายไม่เป็นมงคลแต่ถ้าเราไม่พบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ย มงคลก็จะเกิดขึ้นเป็นมงคลสูงสุดข้อที่สองคือคบคนดีนะคบบัณฑิตไอมงคลเนี่ยมันถ้าเป็นมงคลสูงสุดแล้วนี้งไม่เกี่ยวกับชื่อนะมงคนบอาต้องตั้งชื่อเป็นมงคลปลูกไม้มงคลทำอะไรก็ดูเลือกดูยามอันนั้นมันไม่ใช่ มงคลในพุทธศาสนามงคลในพุทธศาสนาต้องทำเอาหรือรับเว้นทำสิ่งดีรับเว้นสิ่งชั่วงพื่พี้เราก็สวดมานะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำรเจิตต้นเข่ารอบเนี่ยสามข้อเนี่ย คือหัวใจพุทธศาสนาแต่จะเกิดขึ้นได้นี่ก็ต้องเริ่มจากการไม่คบคนชั่วไม่เอาคนชั่วเป็นมิตรอันนี้ที่เรามาค่ายเนี่ยนะเป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะของการ มีชีวิตที่ดีงามแล้วก็เป็นสุขคนเรานี่ถ้าคบคนชั่วเป็นมิตรจลาเนี่ยนะมันก็เป็นมิกับตัวเองได้ยากนะในขณะเดียวกันถ้าเราไม่เป็นมิตรกับตัวเองนะแล้วก็อยากจะคบคนชั่วเป็นมิตรนะเนี่ยเมื่อกระตามที่เราไม่เป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยเราก็จะไปหาไปเอา คนชั่วเป็นมิตรใครที่พาเราไปทำชั่วเราก็ไปเพราะว่าเป็นเพื่อเราเนี่ยเ้าคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยก็าพาไปป่นไปขโมยไปตีกันเราก็ไปเพื่อนชวนเนี่ยเราก็ไป ส่วนไปยิงนกส่วนไปยิงนกเราก็ไปแต่เป็นไงเราก็เดือดร้อนภายหลังเพราะว่าทำบาปผิดศีลอันนี้เป็นการทำร้ายตัวเองก็เราคบคุณชั่วเป็นมิตรนะเราก็ทำร้ายตัวเองได้ง่ายอันนี้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 ตัวเองก็เป็นศัตรูกับเราไม่เป็นมิตกับตัวเองทำยังไงนะก็อะไรที่ไม่ดีก็อะไรที่ไม่เป็นประโยช่ก็กินเข้าไปสูบบุหรี่กินเหล้าเนี่ยคนที่ทำเงี้ยก็คือไม่เป็นมิตรกับตัวเองเพราะาเอาสิ่งแย่ๆสิ่งเร็วๆมาให้กับตัวเอง สุดท้ายนะตัวเองก็เจ็บก็ป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งปอดซุงมลมปป่งพองตับแข็งแล้วเป็นไงทรมานไอตัวเองแทนที่ให้ความสุขกับเรามันกลับสร้างความทุกข์กับเราต่อตับตายใช่ปุงแทนที่จะเป็นมิตรกับเรามันก็ดันเป็นศัตรูกับเรา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 เขาก็จะทำให้เรามีความสุขมีสุขภาพดีเรียนหนังสือก็เรียงเก่งตั้งใจเรียนขยันแล้วก็อายุยืนด้วยมีความสุขนี่เป็นมกับตัวเองนี่ทำยังไงเนะี่ยก็หาสิ่งดีๆมาให้กับตัวเอง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 สุขภาพแย่เพราะว่าเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายเอาใจนั่งนั่งนอนนอนนั่งนอ น, น, น, นเยวไม่พอนะกินด้วยกินกินกินเข้ไาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักตัวเองเตมีกับตัวเองเราก็ต้องดูแลร่างกายกินสิ่งที่มีประโยชน์นะถึงแม้มันจะไม่อร่อย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 ความเครียดความโลคพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับใจแล้วเนี่ยไม่มีความสุขนะก็จะอยู่ร้อนนอนทุกข์เกิดขึ้นกับใจเราเมื่อไหร่หรือเอามันใส่เข้าไปในใจเราเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นต่อไปนานๆก็จะป่วยโรคความดันปวดน่นปวดนี่ ถ้าเป็นมิตรตัวเองเนี่ยอย่าไปเก็บอย่าไปรักษาความโกรธความเกลียดเอาไว้นะบางคนยี่หวงแหนความโกรธความเกลียดขอให้กูจะเกลียดมันเยขอให้กูจะโกรธมันเยังไงก็ได้อันนี้เรียกว่าทําร้ายตัวเองนะทําร้ายทั้งใจและร่างกายบางคนเสียใจสมองแตกเพราะความกโกรธโกรธมากนี่ แค่นสมองแตกเป็นอามาะพึกเอามตะผ้อย่างนี้เราว่ารักตัวเองไหมอยนี้เราเป็นมิกับตัวเองไหมทาร้ายตัวเองเพราะว่าเอาสิ่งที่เป็นพิษมาใส่จิตใจของเราเวลาโกรธเนี่ยเราต้องดีกาจัดมันนะเช่นให้อภยัย คนที่ไม่รู้จักให้อภัยนี่เรียกว่าทำร้ายตัวเองมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุไม่มายี่สิบกว่าเป็นโรคปวดหัวปวดท้องเลื้อหลังความดันสูงไปหาหมอเข้าขาออกโรงพยาบาลหลายครั้งไม่หายทักที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 เธอก็เล่าว่าเธอเป็นกำพร้าอยู่ในความดูแลของพี่พี่สาวเวลาพูดถึงพี่สาวนี่เธอยังมีความโกรธมากเพราะว่าน้อยใจรู้สึกว่าพี่เอาเปรียบไม่สนใจหมอกกเลยบอกว่าแนะนําอย่างหนึ่งนะให้คุณให้อใัยพี่สาวเธอโกรธเลยนะหมอนแนะนําอย่างนี้ไม่พอใจหมอ ก็เลยหายไปเลยทาที่หมอจะให้ยาหมอกับมาบอกว่าให้อภัยพี่สาวคนไข้ไม่พอใจแต่ว่าประมาณสักปีหนึ่งผ่านไปหมอก็จะจดหมายจากคนไข้คนนี้บอกว่าตอนนี้หายแล้วปวดหัวปวดท้องนะความดันเพราะทำตามที่หมอแนะนำคือให้อภัยถ้าเป็นไม่กับตัวเองมันต้องรู้จักให้อภั ย, ยให้อภัย พอทำให้ อ, อภัยเนี่ยก็คือการเลี้ยงความโกรธไว้ในใจคนที่ปล่อยให้ความโกรธนี่อยู่ในใจก็เหมือนกับปล่อยให้ไฟมาเผาผลานตัวเองอย่ังนี้จะแล้วเป็นไม่กับตัวเองไหมเป็นไม่กับตัวเองนี่ต้องไม่ปล่อยให้ไม่ยอมให้ความโกรธความเกลียดความอิจฉามันคลองใจนะต้องหาทางเยียวยา อางน้องไอเนี่ยนะน้องไอนี่แล้วก็เปล่าวานกัเหมือนกันนะพอมีความทุกข์นี้เขาก็พยายามที่จะหาทางระ ง, งับน้องไอ้แทนที่จะเตะเตะกระจกเตะประตูกระจกว่าทําให้ฉันเจ็บนะน้องไอ้มันนั่งสมาธิเปล่าวานแทนที่จะต่อว่าแม่เถียงแม่หาว่าแม่ทําให้ฉันทุกข์เปล่าวานก็หันมาสงบสติอารมณ์ เพื่อไม่ให้ความโกรธครองใจน้องไอซเหมือนกันนะเวลาชนเวลาชนประตูเนี่ยก็โกรธนะโกรธประตูโกรธกระจกความโกรธไอ้ความปวดเวลาปวดทีไรมันจะโกรธตามมาสังเกตไหมนะเมื่อเราปวดเนี่ยมันจะโกรธตามมาตอนนั่งเมื่เมื่อเงี้ยมันก็จะโกรธนะมีความโกรธเกิดขึ้น เด็กที่ฉลาดนี่เขาจะรู้ทันแล้วก็อานทางระ ง, งับโดยใช้สมาธิบ้างพอสมาธินี่ระ ง, งับความโกรธได้พอความโกรธเบาลงความปวดก็ลดลงด้วยปวดกับโกรธนี่มันคู่กันนะปวดจะไม่โกรธโกรธทำให้ปวดอย่างผู้หญิงคนชื่อว่าเนี่ยจะโกรธพี่สาวก็เลยปวดปวดหัวปวดท้อง แต่พอบวชแล้วเนี่ยมันก็โกรธนี่นะถ้าเรารู้จักถ้าเราเป็นเมตตาตัวเองเราต้องพยายามระ ง, งับความโกรธไม่ทําตามความโกรธทําตามความโกรธนี่ก็ทำร้ายตัวเองนะเช่นพอโกรธแล้วก็ไปดา่าเงี้ยบางทีน ค, คนที่ถูกด่าคือใครก็คือพ่อคือแม่คือย่าคือยายของเรา แลาวทำก็เป็นบากไนะปดา่าไปว่าเขาเนี่ยแต่ทำไมถึงทำก็เพราะว่าความโกรธมันสั่งความโกรธมันสั่งให้ดา่ามันมีความโกรธมาสั่งให้ทำลายเข้าของเสร็จแล้วก็มาเสียใจว่าของพังไปแล้วขว้างโทรศัพท์โทรศัพท์เสียไปแล้วอันนี้เราคนโง่อันนี้นคนือนนเราคนไม่รักตัวเอง รักตัวเองเนี่ยมันต้องหาสิ่งดีๆมาให้กับจิตใจของเราหาสิ่งดีๆมาให้กับร่างกายของเราไม่ใช่ของอร่อยไม่ใช่ของแพงแต่เป็นของที่ถิวถูกต้องไม่ใช่ถูกใจถูกใจนี่ส่วนใหญ่ไม่เคยดีนะเด็กเนี่ยถ้าไม่ทำการบ้านหรือว่ามีการบ้านแล้วลอกการบ้านเขาเนี่ยเรื่องนี้ถูกใจเพราะว่ามันไม่เหนื่อยแต่ไม่ถูกต้อง อีกนกกปลาเนี่ยถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องนะหรือว่าเอาแต่นอนดูโทรชัดเนี่ยนี้ถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องเพราะว่ามีการบ้านต้องทำหรือว่าต้องช่วยงานบ้านหรือว่าต้องออกกำลังกา ย, ยรักตัวเองไปเมี่อกับตัวเองเต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์เลวร้ายเข้ามาคลองใจ ความโลภ ก, ก็เหมือนกันนะความโลภเกิดขึ้นแล้วนี่มันมันเผาใจนะอยากได้แล้วพออยากได้พุ๊บเนี่ยนะใจมันร้อนเลยเพราะว่าความโลภเกิดขึ้นแนละ้วอกใช้ทำให้ตาร้อนแต่ว่าความโลภทำให้ใจร้อนอยากได้ แล้วก็อยากได้เดี๋ยวนี้ด้วยนะถ้าพ่อแม่ไม่ซื้อให้โกรธนะพอโกรธแล้วนี่คันนี้อรารวาสแล้วพออรารวาสนะมันไม่ใช่ไปทำร้ า, ายคนอื่นเยอะนะมันทำร้ า, ายตัวเองเมื่อสองที่ย์ที่แล้วเนี่ยได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอประเทศจีนหญิงสาว ไปเที่ยวตลาดหรูอทางสปปรรพสินค้ากับเพื่อนกับแฟน <c oughs> ผู้หญิงอยากได้ iPhone 6ลบเล้าให้แฟนซื้อแฟนไม่ซื้อผู้หญิงโกรธต่อว่าผู้ชายผู้ชายเฉยทำเป็นท้องไม่รู้ร้อน พูดเงทำไงขอดเสื้อแล้วก็ถอดกางเกงแล้วก็ถอดยกทรงแล้วก็ถอดกางเกงใ น, ห, นหรือแต่ตัวประท้วงแฟนไม่รู้แฟนหรือว่าผัวนะประท้วงเพราะว่าไม่ยอมซื้อไอโฟ e ให้อย่างนี้เป็นม่กรกับตัวเองรึเปล่า ไ, ไม่นะมันทำร้ายตัวเอง เปยตากายให้ใครต่อใครเห็นแถมมีคนถ่ายด้วไม่รู้ว่ามีคนถ่ายไว้คนก็ผ่านไปผ่านมาเพียงที่ก็ไม่สนใจเอาให้ได้ i อโฟนไออันนี้เรียกว่าเป็นทั้งโง่นะแล้วก็ไม่เป็นมิกับตัวเองทำร้ายตัวเองทำให้ตัวเองเสื่อมเสียขายหน้า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 รักตัวเองเปมีกับตัวเองต้องมีสตินะต้องมีความรู้สุขตัวเพราะไม่มีสติไม่มีความสุขตัวเมื่อไหร่มันทำร้ายตัวเองเหมือนนั้นคือโกรธพอโกรวก็ดา่ดาด่าทำลายเข้าของพอโลภ ก, ก็อยากจะขโมย เด็กดีๆบางคนเนี่ยนะเห็นโทรศัพท์เพื่อนไอ o ฟนรุ่นใหม่อยากได้ห้ามใจไม่อยู่ความอยากตอนนั้นไม่มีสติเครื่อหน้า ม, มืดหน้า ม, มืดก็เป็นไงขโมยถูกจับได้ถูกลงโทษถูกตัดคะแนน เสียชื่อตัวเองเสียชื่อพ่อแม่ทั้งที่ก็ไม่อยากจนอะไรแต่ขโมยถามว่าทำได้ยังไงผมก็ไม่รู้ครับมันหน้ามืดบางคนหน้ามืดผู้หญิงสองคนรักผู้ชายคนเดียวกันนี่นักเรียนนะโกรธโกรธยังไงหน้ามืดเตยกัน อันนี้มีนักเรียนตีกันเยอะนะผู้หญิงแย่งแย่งแฟนอายุแค่สิบสาสิบสี่ตีกันถึงกับลุมถึงเสื้อผ้าถึงผมสีเสื้อผ้ามีเพื่อนถ่ายรูปไว้ทางโทรศัพท์มือถืออัพขึ้นทาง Facebook YouTube เสียชื่อทั้งตัวเองเสียชื่องพ่อแม่ก็เป็นเด็กดีนะแต่ว่าทำไมถึงทำลืมตัวค่ะมันน่า ม, มืดนะ อันนี้เพราะไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเห็นถ้าเราถ้าราับตัวนะต้องมีสติอันนี้เมื่อวานนี้เขาพูดไปแล้วนะเพราะว่าหลวงปู่บุดดาหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านรอดตายเพราะว่ามีสติเจอช้างเจองูแล้วทีแรกก็กลัวนะแต่ว่าระงรับได้เพราะมีสติ พอมีเสร็จปุ๊บนึกถึงพระธรรมายทันทีทำให้ใจสงบเย็นอบอุ่นมั่นคงนะอันนี้เรียกว่าเป็นมิจฉตัวเองแท้จริงถ้าไม่เป็นมิจฉตัวเองนะตกใจตัว <c oughs> เพนเลยนะเพนนี้ช้างก็วิ่งตามกระทึกหรือไม่ก็สู้กับเขาสู้นะบางทีมันสู้ไม่รู้ทำไงก็สู้ก็สู้กั บ, กบงูก็โดน ง, งูฉกตาย หรืออย่างเนี้ยไฟไหม้เนี่ยกาลังอยู่ในโรงหนังอยู่ในห้องประชุมไฟไหม้แต่คืออะไรเพราะไม่มีสติเลยเหยียบกันตายมีคนเขาแนะนำว่าเวลาไฟไหม้เนี่ยเอย่เพิ่งวิ่งตามคนอื่นเขาปล่อยให้คนอื่นวิ่งไปก่อนแล้วเราก็คอยดูว่าเขาวิ่งไปเขากลับมาไหมถ้าวิ่งไปแล้วหายไปเลยแสดงว่าเขาเจอทางออกแล้วเราก็เลยก็ค่อยเดินตามหรือวิ่งตามไป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 เขาเขาหันกลับมาเราโดนเหยียบเลยนะตายเพราะแบบนี้เยอะนะถูกเหยียบเหยียบจนตายคนที่มีสติก็จะปล่อยให้ใครจะอใครวิ่งไปก่อนตัวเองอยู่เฉยๆคุมสติให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดวิ่งไปแล้วไม่กลับมาแสดงว่าเขาไอ้ทางนั่นแหละคือทางออกก็ออกทางนั้นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นคนฉลาดเนะพราะมีสติ แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่คยเจอเรื่องแบบนี้หรอกนะเราไปเจอเรื่องประเภทว่าโกรธมากกว่าโกรธเกลียดอิจฉาโรคให้รู้ว่าพวกนี้คืออันตรายต่อจิตใจเราอยากเก็บมันเอาไว้อยากถนอมมันต้องหาทางหาทางปัดเป่าไปด้วยการมีสติกัรมาดูใจสติเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญญาณระวังภัยนะ ถ้ามันมีตัวไล่ขึ้นมาในจิตใจเราเช่นความโกรธความเกลียดเนี่ยสติจะเป็นตัวบอกมันก็สัญญาณการขโมยมนก็สัญญาณกันการไฟตามตึกต่างๆมัมีสัญญาณกันไฟนะเวลาถ้ามีควันมีความไฟไหม้เนี่ยสัญญาณที่ดีมันจะบอกทันทีเอาบอกทันทีปุ๊บไปทํางานก็รีไปดับไฟ เราพอๆก็รีบไปดับไฟทันทีหรือไม่สมัยนี้มันมีเครื่องฉีดน้ำอัตโนมัติพอมีควันขึ้นในห้องนี่สัญญาณมันดักจับได้มันส่งส่งข้อมูลไปให้เครื่องฉีดฉีดน้ำมันก็พ่นน้ำดักไปเลยใจเราก็มีเหมือนกันนะไฟที่มันเกิดขึ้นก็คือไฟโทสะใจเรามีอะไรมีสติเป็นสัญญาณดักจับ พอร่วไฟพอรั่วโกรธขึ้นมาสติก็สั่งให้เมตตาหรือการให้อภัยทำงานดับความโกรธ ด, ดับไฟโทสะก็ปลอดภัยใจสงบเพราะฉ้เราเนี่ยนะพอรักตัวเองต้องหมั่นดูใจเานะมันมีสติดูใจตอนนี้ใจเราเป็นยังไงตอนนี้เราฟุ้งซ่านหรือเปล่า ตอนนี้เราใจลอยไหมกาลังฟังธรรมตัวฟังธรรมแต่ใจไม่รู้ไปไหนแล้วตัวอยู่ศาลาแต่ใจนี่กลับไปบ้านแล้วกลับไปบ้านเออเดี๋ยววันนี้จะไปฉลองเนี่ยอะไรดีจะไปดูอะไรดีจะไปกินน้บอัดลมจะไปกินของโปรดนะใจมันวางแผนแล้วอันนี้เรียกว่าใจลอยให้มีสติกลับมาอยู่ที่ศาลากลับมาฟังธรรม ควรู้ตัว ไ, ไ, ไงตอนนี้เ อ, อรู้ทันนี่มีเด็กคนหนึ่งกนะเก่งมากเลยนะเป็นเด็กผู้ยญิงอายุแปดขวบวันหนึ่งหลวงพ่อประสงค์ปริปุนโนมีใครรู้จักไหมหลวงพ่อประสงค์เคยไปเทศบาลพระหลามกาอวอะมีหลายคนนะเออหลวงพ่อประสงค์นี่เป็นเทศตามโรงเรียนก็เห็นเด็กคนนี้ คุยสนทนาสักพักเด็กคนนี้ฉลาดสนใจธรรมะมีความรู้แปลกัวนึองนะหลวงพ่ อ, อสรงก็เลยบอกว่าหนูเป็นเด็กดีเป็นเด็กฉลาดหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูก็หยิบเอารูปประคมขึ้นมาจากย้ามเด็กพอเห็นรูปประคัมก็ร้องโอ้โหหลวงพ่อเลยถามว่าหนูร้องโอ้โหหนูเห็นอะไร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 ความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเด็กเห็นตาตาเด็กเห็นรูปประคำแต่ใจเห็นความดีใจในใจที่เห็นความดีใจคือสตินะตาเห็นรูปประคำแต่ใจหรือสติเห็นความดีใจเด็กไม่ได้บอกว่าหนูดีใจเด็กบอกว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจ เวลาเราโกรธเนี่ยอย่าไปคิดว่าหนูโกรธนะหรือเราโกรธนะให้เห็นความโกรธหรือเห็นข้างในมันโกรธาาภาษาผ้าเรียกว่าความดีใจไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราแป่นอีกตัวหนึ่งเด็กคนนี้ก็ฉลาดนะก็ไม่ไม่บอกว่าหนูดีใจเพว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจก็คือเห็นตัวดีใจนั่นเอง ความดีใจไม่ใช่เราความดีใจไม่ใช่หนูหนูเป็นแค่ผู้เห็นพวกเราก็ทําได้นะเวลาดีใจเวลาเสียใจเวลาโกรธเวลาโมโหให้เห็นว่าข้างในมันโกรธข้างในมันดีใจข้างในมันโมโหข้างในมันเศร้าข้างในมันอิจฉาถ้าทําได้อย่างนี้นะใจมันจะสงบเลยความดีใจพอมันถูกเห็นนะความเศร้าความโกรธพอมันถูกเห็นนะ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 เพราะฉะนั้นการเป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการมีสติมีความรู้สึกตัวอันนี้แหละจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้กายและใจเราจเจริญงอกงามกินอาหารถ้าไม่มีสตินะนก็กินเอาเอารสชาติเป็นหลักเอาความอร่อยเป็นหลักกินตามกินเหลสแต่แล้วร่างกายเดือดร้อนจิตใจก็ย่ำแย่